สมรรถภาพนี่แต่เป็นคําถามที่จะถามนี่ก็เป็ น, ปนกีง่งทัศนะอะไรก็ตามนะ ก, ก็เลยข้อสงสัยแต่เป็นคําถามก็คงจะเป็นปัญญาที่มีอยู่แล้วในการเรียนการาศึกษาที่เกี่ยวกับกว่าความงามมีอยู่จริงหรือไม่โดยสภาวะ อ, ะ น, อนิจจโนงนี้นั่ น, นเป็นประเด็นทีดหนึ่งนะครับ<ช>ว่าสนทรปยภาพหรือความงานมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติหรือไม่หรือแต่เป็นเพียงจิตที่เราไปรับรู้ ด้วยความรู้สึกที่เป็นปัญหาคดีราคาคดีนั้นทิคดีหรือโดยฉันทากดีที่ประกอบกับความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของจิตเองนะครับอันนี้ก็เป็ น, นปัญหาปรัชญาพื้นฐานทั่ไปพี่แต่ที่ว่ามีความคิดต่อว่าพิว่าสมปริญภาพนั้นถ้าไม่มีอยู่จริงเราเองในฐานะที่อาจารย์แล้วก็เราก็ทุกคนเห็นความสมปริญภาพในวิสันนามันมีอยู่แล้วก็นี่กลายเป็นว่าเราหลงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ที่เป็นเพียงเด็จิตที่จะเป็นตั้งหาคดีรายนันทิคดีแต่ถ้าหาว่าสุนทรีภาพนั้นมีอยู่จริงในธรรมชาติเราก็ต้องอากล่าวได้ว่าสุนทรีภาพนั้นไร้แก่นสารถ้ามันเองอยู่กับธรรมชาติคือสิ่งทั้งปวงนั้นมีสุนทรีภาพอยู่จริงโดยเหตุที่สุนทรภาพทั้งปวงอาศัยสิ่งทั้งปวงนั้นโดยที่เหตุที่รทเราทราบว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเอ ง, ง, งนั้นก็ไร้แก่นสารนะครับเรียกตาประเดียนหน้าตาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารมันก็มีอัด กลาได้โดยผิดไปว่าสุนทรภาพท่านเชิดถ้าเช่นนั้นสุนทรภาพมันเองก็คือสิ่งที่ไร้แก่นสารไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าทั้งสองนี้สุนทรภาพก็ดูเหมือนว่ามันกําลังหลอกล่อเราด้วยความสุนทรภาพของตัวมันเองนั่นเองว่าเราเหมือนกับเส้นตะข่ายสรรีทองนี่ท่านอาจารย์ระตะข่ายสรรีสว ย, สวยที่มันจะคุมความคิดหรือจิตของเราเองหรือเปล่าหรือเปเพียงแต่ว่าเราพูดในใต้ในฐานะของโลกโลคีวิสัยเท่านั้น นะครับถ้าเช่นนั้นในฐานะที่อาจารย์แล้วก็เราก็เห็นความศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติเหล่านั้นเราควรจะให้คำอธิบายว่าคนจะอยู่ในฐานะในนดเขาจะเป็นจริงทั้งหมดเป็ทคอธิบายมาแล้วครับเพราะเราไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปจนทุกวันนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปได้เลยไม่ว่าในเรื่องสุนทรีศิลปะแม้แต่เรื่องความรักว่ามีจริงหรือไม่นะครับมีหรือไม่มีเป็นปัญหาที่ขั้วต่างที่ที่จะยุติไม่ได้เลยนะครับ รวมไปทั้งเรื่องปรโลกมีหรือไม่มีนะครแต่ผมคิดว่าประเด็นน่าจะยักเยือาากไปถึงว่ามันจะมีอยู่แล้วสัมพันธ์กับพัฒนาการของมนุษย์อย่างไรนี่สําคัญมากครับคืงจะมีในลักษณะไงไม่สําคัญแต่ว่าเรามนุษย์เอาประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะครับเราจะถามว่าตัวตนเรามีไหมก็คือปัญหาเดียวกันเองครับมีหรือไม่มีมจะควบคู่อย่างนี้นะครับเป็นอาการครับดังนั้นพระเจ้าจึงเรียกวัตจยาการ มันไม่ใช่อันนี้กับอันนี้แต่ความที่อันนี้ก้อยเกิดอันนี้ดังนั้นเน้นไปสู่อาการชื่อหนึ่งที่ชัดๆมากๆเลยเรียกว่าปัจจัาการ <S <S เป็นอาการเท่านั้นนะครับเราเพราบว่าฟิสิกส์แบบของนิวตันเนี่ยเรามีจุดที่ตายตัวมากอันนี้กับอันนี้นะแต่แล้วมาฟิสิกส์สมัยใหม่ดูเหมือนจะ น, นําโดยฟิจชั่คาบลาออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูว่าอันนี้กับอันนี้เราไม่ได้ดูว่ามันเป็นสิ่งหรือไม่ใช่สิ่ง แต่เราเห็นอาการของมันครับอาการที่อันนี้ก็ทําการนี้แต่เราเราเรียนวิชาฟิสิกส์ก็ดีหรืออก็ดีนะฮะเรามากักจะสร้างโมเดลแบบจําลองขึ้นพอคิดถึงอตอมเราเคียนมันกลมก่อนที่จริงนี่ไม่ใช่ครับของจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยมันมีแต่อาการครับเดัะนั้นไม่ว่าวิปัสสนาชั้นสูงหรือสภาวะของความรักความงามเนี่ยมันปรากฏเป็นอาการทั้งสิ้นเลยครับ เช่นาการที่ดวงจิตเปล่งประกายแช่มชื่นกันมาเนะี่ยรับความเข้าใจของผมนั้นแต่ปัญหาที่ ท, ท้าความเมื่อกี้นะี่เป็นเรื่องลึกนะเรื่องกว้างมากครับเขียนตาําราันเรื่มๆไม่จบด้วยนะได้ยุติไม่ได้ด้วยครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันงามยู่ในตัวมันหรือว่าเพราะเราว่ามันงามมันจึงงามมันดีในตัวมันหรือว่าเพราะเราดวงจิตมนุษย์เนี่ยคิดว่ามันดีมันเลยดูดีอะไรเหล่านี้นะฮะแต่ผมคิดว่าที่ลากฐานที่พื้นฐานจริงๆริงนะ เมื่อดวงจิตของมนุษย์ของแผ่วความงามนั้นเป็นพ้นความหมายความสวยหรือไม่สวยพ้นคู่เปรียบนั้นความงามนี่เป็นความงามอีกประเภทหนึ่งแล้วครับมันกลายเป็นในคุณสมบัติที่อิสระแยกไม่ได้จากความหมายคําอิสระเพราะว่าถ้ามีการเห็นที่ถูกร้อยรัดด้วยกิเลสตัณหาจะจะไม่พบอิสระในการเห็นผู้เห็นผัวพันในกับการเห็นซึ่งเป็นกรรมผัวพันธในการกระทําการดู การทำการฟังนี้โดยหลักธรรมอั้นลึกแล้วก็ถือเป็นเป็นกรรมนั้นเป็นการกระทํามุ่งกระทะนั้นวิญญาณก็มีที่เกิดครับพอวิญญาณไปรู้อะไรเข้ามันก็ติดสิ่งที่มันรู้ทันทีเนี่ยนี่เป็นก่อกรรมขึ้นมาแล้วสุนทรียภาพในความหมายที่ลุ่มลึกนี้ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาจากดวงจิตที่อิสระเราเพราะว่าบางวันนะฮะ20ปีที่แล้วผมเคยถูกถามจาก ชาวประมงคนหนึ่งนะฮะเหตุที่เขาต้องมาถามผมซึ่งเป็นนักบวชอยู่เขาพูดผมถามเขาทำไมไปมาถามผมนะถามผมเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไปถามอิห ม, ม่ามถูกไล่เพื่อโดยจากเก็ถามผมด้วยคําซึ่งแปลกมากครับก็ถามจากประสบการณ์จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อวดภูมิรู้นะเขบอกว่าผมผมเป็นชาวประมงแล้วผมแปลกใจมากว่าบางวันเนี่ยผมรู้สึกทะเลเนี่ยไหม่เอี่ยมไหย เรือที่ผมแล่นในทะเลครับไม้เอียมขึ้นมาแล้วก็บางวาล้ำเก่า้ามข้ า, ขาผมเองได้ตอบว่านั่นเป็นเรื่องภายในจิตใจของเราด้วยครับโลกธรรมชาติที่แท้จริงครับความบริสุทธิ์ของสภาวะธรรมนี้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันแต่เราเห็นภายใต้วิบากกรรมของเราเพราะเราหาันไปดูแสงแดดเราข้างในเราภาคทันทีอยู่แสงแดดโอยสวยจริงเลย ดังนั้นความสวยที่ปรากฏดวงจิตรับรู้มันเป็นฝ้าแล้วครับดังนั้นการที่เห็นตัวสภาวะดั้งเดิมจริงเน่าแ น, น่นของแพ้วสิ่งที่ดูกับสิ่งที่ถูกดูนี่เรือนรางจางหายกข้าด้วยกันดังนั้นไม่สามารถสร้างแม้แต่ถ้อยคาว่ามันสวยหรือไม่สวยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสุนทรียภาพในสิ่งลี้ลับจนไม่มีถ้อยคาที่บอกว่า มันเหมือนกับเรานั่งดูลูกคลานอยู่ในแสงแดดนะฮะจริงๆเราไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะเราอยู่ในความคิดเราดิ้นรนในโลกที่เป็นจริงของการแข่งขันธรรมาหาเลี้ยงชีวิตนะฮะเราไม่เคยเห็นบุตรของเราเลยแต่เราคิดว่าเรามีลูกซึ่งต้องรับผิดชอบเราไม่เคยที่ดูแล้วเห็นจริงๆนะฮะดังนั้นพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญมากกับการเห็นไม่ใช่การรู้ไม่ใช่การจําการเห็นนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงระหว่าง และวัตถุโลกธรรมชาติและธรรมะที่บริสุทธิ์บางครั้งพระเจาตรัสว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาฟังดูแล้วโอ้ ม, มันเกินวิสัยนะฮะมันจะไม่มีได้อย่างไรเนเะมื่อเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ยืนอยู่ข้างหน้าเขาแต่ว่าแต่ที่นี้ปัญหามันอยู่ตรงพัฒนาการครับดับงนั้นสูนทรีภาพที่ว่านี้เนะะี่ย ไม่ใช่สิ่งที่จะพร่มสอนกันได้สิ่งที่ต้องทําก็คือการเจริญวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนาแล้วไม่ว่าแบบของฮินดูของกลางที่จริงทางตัวหนอกมีรากร่วมันนะแต่ของพุทธนี่มันมันแปลกยักเยืองเลนะไม่ใช่สุนทรียภาพในพระผู้สร้างแต่ถ้าเป็นของพุทธเนี่ยสุนทรียภาพในอริยสัจซึ่งเข้าใจยากมากครับในความทุกข์ยากในความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองดวงจิต ยังผองแผ้วพุทธพัฒน์สอนได้ปกติพอกายเราเจ็บเราก็เศร้าหมองจิตก็เศร้านะฮะห่อหิวหรือแม้แต่ถูกโกงเงินในบาทเดียวจิตสับสนมาแนละ้วบาทเดียวความโลคเงินบาทนะครับสิบล้านนะั้เท่ากันครับถ้าโลรคร้อนเท่ากันเลยสับสนมาในดวงจิตดังนั้นสุนทรภาพก็ไม่ปรากฏสุนทรีภาพถึงพี่ว่าเป็นสิ่งลื่นรมเมื่อจะตายก็ล่นรมนฮะ อลองเทียบอันนี้ดูผมอาจจะไม่ไม่ไม่เข้าเรื่องโดยตรงนะครับสมมติคนหนึ่งมีฤทธิ์มีเดชเมื่อถึงคราวจะตายเนี่ยต่อสู้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชกลับไปคนหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงคราวตายก็คือตายไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่คนนี้ผมแค่ว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาชั้นสูงเมื่อถึงคราวจะต้องตายนะฮะผมไม่ได้หมายค่าตัวตายนะก็ยินดีตายสมัครที่จะตายหรือถ้ายคําที่มหาวิทยาลันทีใช้ก็พออนุมาน ล, ลงได้อนุลงได้ ยากจนด้วยความสมัครใจยากจนด้วยความสมัครใจมันมีสุนทรยภาพอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยอรื่นรมที่ตัวเองต้องถูกทอดทิ้งแต่คนเรามักจะวายวานเนยเพราะว่าเราห่างเหินจากอริธาน์ในเรื่องของบารมีคันติบารมีอธิษฐานบารมีเรื่องบารมีสิ่นี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งราลางเรือนมาจากแผ่นดินนี้นะแผ่นดินนึงเคยมีชีวิตยอยู่เพื่อสังสมบารมี ให้ถึงที่สุดทุกทํากิจการงานเลี้ยงลูกก็เพื่อเสริมสร้างบารมีนทุกสิ่งอย่างครับสุนทรียภาพวันนี้สําคัญตาบอดหูหนวกไม่เป็นไรความงดงามชีวิตยังอยู่กับเราได้นะครผมไม่ได้ตอบคำถามเลยครับผมตอบไม่ได้จริงนะครับแล้ก็ก็สัมมนาอาจารย์นะครับอยู่หลายประเด็นที่ว่าสิ่งมีอยู่ที่บอกเป็นอาการก็ผมก็เห็นว่าแม้ในพุทศาสนานั่นเองที่บอกว่าเรา่สิ่งมีอยู่คือลูกจิตสิตและนิพพาอะไรก็แล้วแต่ ท่านพูดแต่เพียงแต <Okay. S 2> ่ลักษณะมีแต่มีแต่ลักษณะอาการในส่วนหนึ่งของลักษณะลักษณะความอ่อนแข็งเรียกว่าธาตุดินท่านจะบอกว่าเป็นลักษณะลักษณะอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานส่วนอาการเป็นอันลักษณะการลักษณะการอาการในส่วนหนึ่งของลักษณะประเด็นหนึ่งและที่ทีอ่อาจารย์ได้อธิบายถึงความสมบูรณ์ภาพในเรื่องของความเป็นอิสระนั้นถูกตรงกับความคิดของผมอยู่ที่ว่าตราบใดท่านเรายังความสมบูรณ์ภาพจะเกิดขึ้นในทางศาสนาก็ต่อเมื่อความอิสระก็เกิดอิสร ะ, ะ, ะจาก ปัญหากิเลสนั่นเองการมองสนุนทรภาพก็เกิดเกิดด้วยปัญญาเช่นกระดกผมมองสุนทิภาพในขณะจิตของผมเนี่ยว่าจิตนั้นประกอบไปกิเลสก็ดี ก, ดกุศลก็ดีอคุศลก็ดีสิ่งที่ไม่ทำไม่ใช่ทำกินเป็นกุศลอคุศลก็ดีเนี่ยมันเป็นสุนทรภาพของธรรมชาติที่สร้างปรุงแต่งขึ้นมาอย่างมีหลักมีกลางมีปฏิยาการแม้แต่สายปฏิจฏจสมุติบาต์ซึ่งผมถือว่าเป็นสายพันแห่งความเหลว้ายของขันนะครับแต่พอเราก็เห็นความสุนทรภาพของเขา อันนี้เองเนั่ยศูนย์คุณภาพในศนาก็ น, น่าจะเป็นปัญญาวิธิปัญญาที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บูรนะครับว่ามันเกิดจากการจะพัฒนาการของวิธีปัญญาที่เรามองเห็นตามความจริงของธรรมชาติโดยตรงความจริงที่เราเห็นโดยธรรมชาติที่เป็นของมันจริงๆนี้เป็นศูนย์คุภาพที่ผมิ น, น่าจะเข้าใจเลยว่าเรามองเห็นตามความจริงไม่ว่ามันจะดีหรือเลวว่าต่างเราเห็นธรรมชาติอันสวยงามเหล่านี้ เพียงแต่ว่าเราจะหาสาระประโยชน์อย่างใดที่จะก้าวถึงจุดประสมของเรายนะครับก็ขบคุ้ครับผมงต็นห่วงอย่างหนึ่งที่อาจารย์พุทธทาสอลมแล้วไปรมงลวไปอันนี้คำสอนของอาจารย์นะ ใครจะเป็นผู้สืบทอดแล้วก็อาจารย์เคยคิดหรือเปล่าว่าที่ท่านพุทธท่านอาจารย์พุทธท่านมสนีสูนทริยาภาพนะอันนี้นะ่ะเกิดจากอะไร เ, เพราะว่าอาจารย์พุทธท่านนะท่านก็นบวชอยู่ใน พระพุทธศาสนาฝ่ายเทววัตแล้วก็นำคำสอนต่างๆซึ่งเป็นของมหายานเป็นจำนวนมากเยผมเรียกว่าเกสิเป อ, อ์แล้วก็ท่านก็เลยยอมเปิดผยในการที่ว่าคำสอนเหล่านี้เนะ่อยู่ในลักษณะของฝ่ายมหายาณอาจารย์เคย คิดบ้างหรืเปล่าวะเพราะเหตุใดอาจารย์พุทธทาสจริงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าความจริงเท่านั้นเองนะที่จะไปสู่สุนทรียภาพที่มั่นคง<ม>เพราะว่าทุกคนต้องมีสูนทรียภาพในตัวของเราเองตลอดเวลาเพราะในชีวิตของเราจะได้ไม่เกิดมรรคเสียเปล่าอาจารย์คิดเป็นยังไงครับ ในช่วงต้นของตัวผมเองที่เข้าไปเกี่ยวพันกับศาสนธรรมนะฮะผมมองท่านอาจารย์เป็นเป็นพระภิกษุแต่ในช่วงปลายนีผมผมมองไม่เห็นจีวรนในตัวท่านเลยครับคือราถึงจุดที่สำคัญนะครับว่ามหายาณเทรวาบวชจีวรหรือไม่มีจีวรโกนหัวหรือไม่โกนหัวนะ ไอ้ น, นี้เป็นวัฒนธรรมนะเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมเอ่อจึิงอยู่นะฮะภายใต้คขึ้งแบบท่านอาจารย์ก็แสดงธรรมเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวพุทธเห็นเนชั่นท่านเป็นผู้นัดอนุรักษ์ทีเดียวหยิบหัวข้อธรรมะในไตรวิถีมาจาระในเจรณัยให้คมคายขึ้นเพื่อให้เอามาใช้งานได้ก่อนหน้านี้มันจะฝังในไตรวิถีกันนะฮะ บางทีเราไม่รู้ในเซามันใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้นะเราเรียนพราะวินัยก็ดีเพราะประมาทก็ดีอะไรนี้เพื่อเป็นเครื่องประดับประดาแต่เราไม่รู้จะใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ในการแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวมส่วนสังคม น, ะนั่นบทบาทของท่านนะแต่นล้วแง่มุมหนึ่งคือความเป็นปลาดที่แฝงอยู่ในตัวนะ องค์พระเจ้าท่านประนามพระภิกษุที่ชอบคุยเรื่องเดรัฉานกาถานะฮะแต่ทําไมพระเจ้าถึงเล่าเรื่องอคันยสูรเนะี่ยเล่าตั้งแต่การสร้างโลกสร้างชุมชนซึ่งเราไม่เราไม่ถืออันนี่เป็นเดรัฉานกาถาแต่เป็นการโยงเข้าสู่รากเง้าที่มาของอดีตช่วงหลังนั้นผมมองท่านอาจารย์เป็นผู้รู้ผมไม่ได้ดูที่จีวรถ้าท่านจะลุกขึ้นสัดท่ามโนโลาผมดูนี้ผมรับได้ แล้ท่านก็ทำด้วยนะครับเพราะว่าเราศึกษาผมเองใส่ใจในศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นบรรพวาลของพุทธศาสนาครับเพราะศิลปะรูปแบบศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เกิดภายใต้ร่มโพของพุทธศาสนาและเกิดขึ้นเพื่อบำรุงศาสนาทั้งนั้นเลยนะครับไม่วช่วิชาช่างอันใดดังนั้นคราวหนึ่งท่านอาจารย์พิเคราะห์ถึงเรื่องภาพหินสลักที่มีตัวพญานาค ฟ้อนนำหน้ากระบวนเสด็จของอามายาเทวีสู่เทวะหาตุท่านนี้นท่านบอกกันท่าลําของวโนโลาท่านถามมาว่าคุณลา<ผม><ม> <c oughs> ําเป็นหรือเปล่าผมก็เห็นท่านกเลยสซัดท่าอยู่เออดังนั้นแต่ผมผมสัมผัสสิ่งนี้ด้วยความรู้สึก ต, ตื่นตาตื่นใจนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะที่จะให้เห็นว่า มุมมองที่เรามองนั้นตัวเราเนะี่ยได้จํากัดมันลงหรือเราเปิดกว้างที่เห็นว่าท่านเป็นปราท่านไม่ใช่เพียงนักบวชเท่านั้นคับนี่เป็นสิ่งสําคัญมากการที่สองที่ว่าจริงหรือไม่ที่ท่านอาจารย์ไม่ยอมรับว่าตัวเองได้ศึกษาผ่านมหายานะข้อนี้เนื่องกับข้อแรกความเป็นปรารถนไม่อาจจับตัวเองเป็นมหายาเรยนยนิามได้ปรารถนแท้เนะี่ยไม่อาจจัดเป็นไทยหรือไม่ใช่ไทยได้ ไม่อาจที่จะเป็นพระหรือไม่ใช่พระได้ปราดแท้ๆไม่จํากัดอยู่ภายใต้ชาติชั้นวรรณะทั้งสิ้นแต่ก็จริงในแงๆที่ว่าท่านศึกษาผ่านตํารามหายานแล้วรู้ว่าในมหายานมีหินยานในหินยานมีมหายานแล้วท่านประสานมันขึ้นมาเ่นเรื่องสุญยต า, านในสุดเวลาเทศนาท่านคัดขึ้นมาจากพระไตรปิฎกฝ่ายเทยววาสแต่โดยการเร่งเร้าของมหายาน นั้นทั้งมหายาและอินยานได้บรรจบกันที่นั่นยานทั้งสองเหมือนผลไม้ถูกผา่าซีกครับถ้าเราได้เพียงซีกเดียวเราจินตนาการภาพรวมทั้ง ห, หมดไม่ได้จนกว่าเราอีกซีกหนึ่งประกอบข้าวเราจะเห็นมิติที่ลึกและกว้างของพุทธศาสนเทระวาตแคบลงนะฮะเป็นที่ยอมรับเช่นฐานการภาวนานี่แคบคนที่ต้องบวชโกนหัวเท่านั้นจึงจะไปวิาพานได้ แต่พระอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างที่เบรนนะฮะมีพระลามะที่ไม่มีลูกไม่มีเมียนะแล้วรามะที่มีลูก ม, มีเมียนะโยคีที่ไม่มีลูกมีเนมะียแโยคีฐานทุกฐานได้รับการรับรองทัดเทียมกันหมดครับั้นฐานก็กว้างมากนะท่านอาจารย์นั้นค่อยๆปรับบุคลิกภาพตามความเข้าใจของท่านนะจนในสุดเราอาจจเข้าใจผิดเพราะท่านเป็นมหาญาณ หรือบางทีเป็นคริสเตียนก็นได้เช่นปาโตกะถาซิงแกรทอมสันนี่นท่านไม่ใช่เป็นเล่อุบายที่จะที่จะดึงศาสนาอื่นมารับใช้พุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่เคยมีเล่เหลี่ยมอันนี้ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาไม่เคยใช้เล่เพทุบายที่จะโค่นล้มลทัทธิอื่นเลยพุทธศาสนานั้นไม่ไม่ใช่ลทัทธิมุ่งกำจับลทัทธิอื่นแต่พุทธศาสนามุ่งที่อยู่ร่วมกับลัทธิอื่นอย่างสันติ แล้วพิสูจน์ถึงเนื้อหาที่แท้จริงพุทธศาสนาได้ยืนยันอย่างนี้มันตลอดในห่วงประสตร์ที่แล้วมานะไม่เคยมีการลุกรานเลยแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วอย่างผมเคยถามบัทหลวงกันหนึ่งว่ า, มาผมอ่านไบเบิลนะครับศรัทธาในคําสอนของเยซูเทศนาของเขาบ อ, อ, อกเทศผมเป็นคลิปได้ไหมเก็บอกไม่ได้ผมบอกถ้าคุณปฏิบัติภาวนาของพระเจ้าเนะยคุณเป็นได้ทันทีหรือคุณจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นได้ทั้งนั้นคาตอบของผมต่อประเด็นนี้นะครก็คือ พัฒนาการในตัวของท่านอาจารย์นั้นจากพระภิกษุเงื่ออินทปัญโยตุกอวัตรตั้งส่วนโมกขลามที่บุรีเลียงด้วยแรงผลักดันทางสังคมและในช่วงชิงชัยความเป็นผู้นำํำทางภูมิปัญญาเนื่องจากการถ่ายโอํานาจรัทในช่วงปี75นะฮะทําให้ท่านต้องพึ่งตัวเองในทุกวิถีทางเข้าใจไหมครับก็อํานาจรัทธคืออยู่ในกํามือของมหาสัตว์มาไม่รู้กี่ร้อยปี แล้อยู่ดีมาโอนไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ที่เราเรียกคณะราศนะฮะก็กระทบสําหรับนักเรียนนอกผู้คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงกัารปกครองไม่สู้กันเลยแต่คนในนะฮะดังนั้นการพึ่งตัวเองดังนั้นเป็นช่วงชิงชัยภูมิบัญญาคนระับท่านอาจารย์ก็พึ่งไตรวิตรกว้างไปสู่ฮินดูท่านก็นนะฮะท่านค้นคว้ากว้างไปสู่แมแตเตเซนพูดได้ว่าพุทธศาสนาในกายเซนนะครับ ถูกนําเสนออย่างเป็นระบบโดยท่านอาจารย์ครับก่อนหน้านั้นเซนก็เรื่องเล่านิทานกันนะอาจารย์ถีบศีดอย่างรุนแรงแล้วก็สว่างสวยขึ้นแต่ท่านอาจารย์ท่านไม่เล่นอย่างนั้นครับท่านแปล ى, คําสอนของเวฬหงวงโปอย่างเป็นระบบนั่นคือการเคารพต่อมหายานอย่างลึกซึ้งถ้าไม่เคารพก็แปลลกกูกล้วงนะฮะเหมือนที่เรามาเล่ากเล่นเรื่องนั้นอาจารย์ถีบศีดไอ้นี่เราเราไม่ได้เราไม่ใช่บูชาหนทางกันนะั้น นั้นข้อกราหาที่คนไปนัวว่านะผมแก้แล้วครับว่าวิสัยอย่างปราดนั้นพ้นหินยานหรือมหายาพ้นชาติชั้นวันนะนะแต่พร้อมๆกนั้นก็ไม่ใช่ว่าไปทำลายไอ้รากงาของหินยามมหายานะแต่ถ้าดูให้ดีๆคำสอองท่านเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างถูกประมวลมาในชุมชนประเทศนี้แล้วก่อเกิดประโยชนก์กระทบกับทุกวงการเห็นไครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่สุโไทยเป็นต้นมานั้นพระสงฆ์ถูกจํากัดบทบาทอยู่พระสงฆ์ไม่กล้าที่จะแตะการเมืองไม่กล้าแตะเรื่องโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่วิธีชีวิตของท่านการค้นคว้าของท่านบทบาทของท่านอยน่างนี้ผมก็จะกระทบไปหลายจุดแล้วนะกระตุ้นให้เกิดความคิดว่าพระพุทธศาสนาที่เป็นมิ่งขวัญของเราล่มโพล่มใสามาหลายพันปีนี้ บทบาทจูจางไปหรืออย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะประมาณจะก็จะฝิด ก, ก็ได้สังเกตดูคนรุ่นใหม่นี่จริงจังขึ้นศึกษาขึ้นฝ่ายรู้ขึ้นนะครับอุศาสาหนาที่อยู่ภายใต้ท่าทีของวัฒนธรรมนั้นเฉยนิ่งมาตั้งนานแล้วนะครับช่วงวัฒนธรรมเฉือยนิ่งนั่นเองเฉยนิ่งผมหมายนึง ม, มันไม่มีอะไรที่ที่เรียกว่าสร้างสารรค์เชื่อเชื่อกันมาระบบขนบประเพณีแความเชื่อนั้น เมื่อเริ่มต้นนั้นมีชีวิตชีวาแต่ว่านานเข้านี่มันเฉยนิ่งไม่มีการท้าทายการตีความนับตั้งแต่ราชนาจากักรสกุลไทยจนรัตนโกสินทร์ช่วงนี้นะฮะยังไม่มีพระเถระหรือปลดัดคนไหนกล้าตีความพรรพจนะได้อย่างจริงใจแนละตรงไปตรงมาเหมือนท่านอาจารย์นะฮะพระพิสุสงฆ์ครั้งอดีตมีความคเคารพต่อพณีเมื่อจะเทศนาบุธรร ม, มาทก็ตั้งนิเคบบวชพระภาสิทธิ์แล้วบอกว่าพระธรมภาพจะาวิสัชนา พระพุทธภาษิตของพระผู้มีพภาคเจ้า ค, คือไม่กล้าตัวเองก็ไปแตะแต่ท่านอาจารย์ท่านทานตีความและเป็นการตีไม่ใช่ตีได้ตีเอานะตียังมีหลักยังมีที่มาที่องิงแล้วมหายานเป็นที่อ้างอิงอังงนหนึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับมีเรื่องที่ท่านอาจารย์เป็นห่วน่ะผมก็ถ้าความเป็นปรักของท่านอาจารย์ผมขอสงวนไว้ก่อนเพราะธรรมดาผมได้รู้จักอาจารย์ทีละท่าที่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับไปทุ่งบุญที่ท่านเป่าเตง๊ก ท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังท่านอาจารย์พุทธท่านได้เล่าอะไรให้ได้ฟังมากท่านพุทาได้อาศัยท่านผู้นี้ซึ่งคล้ายกับอาจารย์นะครับรูปร่างแล้ว ก, ก็ไว้หนุนข่าวเหมือนกับอยู่แบบกลองนั่นนะฮะเสียงใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจมีควำพิีเกี่ยวกับมหายานมากซึ่งเขาก็อบอกว่าอาจารย์พทุทาได้อาศัยท่านมากนะครับแม้ในคำต่งตางๆก้อนจริงเนี่ยมันเป็นการพัฒนาของอาจารย์พทุทธที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดมีสิติปัญญาสูงพอที่จะ แนวทางต่างๆแล้วมาไปยุกอย่างที si ่อาจารย์กล่าวนะครับแล้วอาศัยความว่าท่านนี้พูกล้าคิดกล้าทมกล้พูดอย่างหนึ่งนะครับความจริงมหายานเนี่ยควรจะพัฒนาการมาจากเทรวะยังกรณีอย่างิทานเซนเรื่องชาลมงเทเวเนี่ยความจริงแล้วมันมีอยู่ในคำพีเทรวะคือพระเจ้านั้นตัดกับพีขะานักข่ที่ผมพีข้าักข่าก็จตัดว่าทิฏฐิใด้ๆในสมคนแก่พระเจ้าผิดทั้งนั้นแต่ไม่ได้วยทิฏฐิของตัวเองมันถูกพระเจ้าจะเห็นว่าการตัวถิ่นด้วยทิฐินั้นนะ ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อการทวารวิวาจึงเห็นว่าพิฆาติขะนั้นเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยน้ำที่เป็นพิษพวกึงต้องการที่เติมน้ำลงในน้ำเต้าอีกยังไม่พร้อมที่จะเติมน้ำน้ำอมฤตประธรรมหรือน้ำน้ำหวานน้ำน้ำพึ่งอะไรนั้นที่เติมไปซึ่งมีเล่าไว้ในในนั้นมันมีประิมานมากในทานเสียงที่อาศัยคังทีในทวารว่าน้ำใช้เป็นจํานวนมากที่เราไม่ทราบกันเองนะครับมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่า มีทั้งนั้นความแตกต่างไมถ้าถามว่าเป็นพุทธไม่เป็นพุทธด้วยกันแต่ความแตกต่างนั้นอยู่ที่ยุทธวิธีในการอธิบายและการเอาผลแลเอาเหตุมาพูดหรือเอาผลมาพูดมันมันแตกต่างกันยุทธวิธีต่างทั้ทนั้นเลยครับผมคิดว่ามันก็น่าจะไปเป็นได้อย่างที่อาารอาจารย์พูดเนี่ว่าท่านจริงเถราวาดันคือมหาญาณมีจํานวนมหาญาณที่เราไม่สามารถเอามาใช้เองซึ่งในเถราวาดเองผมศึกษาอภิธรรมลายลัสมก็ผูกเป็นนิทานเซนได้มากมายกายกองซึ่งอาศัยหลักการของเซนในเซนเองก็น่าจะเห็นประโยชน์ของพระ ของเถรวาทซึ่งมีข้อดีเป็นเพชรมีอยู่แล้วในเทรวาทเพียงแต่วิธีการนํามาประยุกต์ในการลุกเล่นในการยุทธวิธีนั้นแตกต่างกันเท่านั้นซึ่งใครจะตรงเห็นตรงอย่างที่เถรวาทก็ว่าเห็นตรงเห็นตรงนั่นแหละฮะส่วนทางนั้นนั่นก็ใช้อตสิติปัญญาของตนเองที่ตีความลงไปมันก็เป็นการบุกเบิกความคิดที่ในฐานะที่ปัจจุบันผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็เห็นว่ามองภาพรวมรวมก็ไปไปกันได้นะ ค, ะ ค, ครับขอผู้กำกับจริงก็ย้อนิดเดียวนะฮะกอนนี้ผมก็เทรวา ไม่ว่าจะเป็นหาญาหรืออินญานหรือแม้ในค่ายเดียวกันไม่ว่าสมำนักไหนนะครับที่ยึดถือแนวทางหรือเทคนิคการภาวนาที่แตกต่างกันล้วนแล้วเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งนั้นครับท้ายที่สุดมนุษย์ต้องเผชิญหน้าตัวเองอย่างโดดๆจงๆต่อสภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่ญานเหนั้นก็เหมือนกับยวดญานนะครับมันพาเราไปได้ออกไปสู่ไฮเวย์ถนนหนึ่งท้ายที่สุดเราต้องพึ่งตัวเอง ถ้าไปยึดถือยานไว้แล้วกลายเป็นผมว่ามันจะเป็นอุปสรรคขึ้นก็ได้นะฮะแท้ที่จริงเนาะสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีเลยครับคําว่าอินยานหรือมหายานไม่มีเม้แตรคำพุทธยานก็ไม่มีครับเพียงพระเจ้าท่านสกิตสเกานึกถึงไอ้ตอนที่ท่านสัจจรูปถูกอาราธนาให้สอนนะฮะที่พร ม, มาอาราธนาท่านถือเอาว่ามนุษย์ที่มีทุลีดวงตามีทุลีในดวงตาแต่น้อยกรณีปริมปลิมอยู่แล้ว ทำท่าจะรู้ทำท่าจะไม่รู้นะครับดังนั้นไอ้เงื่อนไขที่สําคัญไม่ได้อยู่ตรงวัฒนธรรมหรือยานน้นยานนี้มนุษย์เองครับถ้าไม่มีมนุษย์มีแต่ยานก็มันยานล้า ง, งนั่นนั้นไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นแล้วความสาคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามีผู้รู้จริงเกิดขึ้นในโลกนี้ผู้เห็นช่องทางก่อนหน้านั้นไม่มีทางนะมีแต่การพัฒนาระดับของจิตเข้าสู่ภูมิต่างๆ ยังไม่พูดเรื่องความหลุดพ้นแต่เป็นการเข้าสู่ภูมิสวรรค์พรหมโลกในสืบเนื่องพระเจ้าท่านทําหมดแล้วต่อมาท่านอุทานคำว่าสเทวเกสมาแลเกสรหมงเกเนะคือท่านต้องเที่ยวหมดแล้วท่านชิมลิ้มภูมินั้นหมดแล้วแมาทั้งกระชี้ทางออกทางออกที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะแต่ว่าการพัฒนาสติปัญญาให้เห็นลู่ทางที่มีอยู่ในธรรมชาตินี่เรายังไม่ได้พัฒนามันดังนั้นความสลักสําคัญไม่ได้อยู่ที่ยาน ไม่ได้อยู่ที่แม้ในคําสอนของพระเจ้าด้วยบางทีอย่างพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรองค์คลิมนะ่ะหรือกรณีที่ยืนภาคีเลี้วให้พระจุบวรโธไม่มีแม้แต่คําสอนด้วยครับมนุษย์สําคัญครับปัจเจกสําคัญมากเพราะเป็นกุญแจที่ไขเข้าสู่ความเปสากลได้ความเป็สากลนั้นพ้นหินญาณมหายาณแล้วะครับผมคิดอย่างนี้จิตใจที่รู้แจ้งเห็นจริงคนระับคงไม่ติดดิสิตนะว่าข้าเป็นมหายาณ น, นะ อย่มายุงกับค่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมสนิษฐานะนะครับก็คงขอจบเท่านี้นะครับ